ก็ได้ได้วิสุทธิที่ชื่อว่ามัคขามัคคายาัทสนวิสุทธิ์ชื่อยาวเป็นปี๊บเลยนะมัคขามัคคะมาจากอะไรมาจากคําว่ามัคอะมัคนะมัคอะมัคมัคอะมัคมัคอะมัคมันจะออกเสียงเป็นคําสนทิมจะออกเสียงกลายเป็นมัคขามัคขามัคคะมัคกับอะมัค